ติเดี๋ยวนี้มันก็หายไม่เปี่ยนหลอกค่ะอนเดิมเราไม่หิ้นึกไว้เป็นองแลยที่ต่อมาเมื่อเมื่อเพ่งเขาเพ่งเขาเรียกว่าพุทธลุปมานั่งบนหัวได้นั่งบาได้นั่งขั้งหน้าทั้งอังได้แล้วก็เอารอมตัวเราแบบนี้่หันบนการตัวเราได้แล้วคือดิจเอาไปนั่งอยู่บนหน้าต่างบนประตูดิจแี่แรกแรกแต่ให้เล็กก็ได้ให้ใหญ่ก็ได้ให้ข่อขึ้นบนคว้าบ็ได้ เหล้านี้ขออนุโมนาพระพุทธหลุมพระพุทธหลุมให้เป็นพระศุกรแล้วก็เป็นหลวงพ่อเดินเลยแล้วก็บางทีช้าคือเป็นพระพุทธเจ้ากเป็นพระพุทธเจ้าเดินเลยนึกเอาในพระพุทธหลุมองเดียวค่ะแต่พระพุทธหลุมพาไปก็นั่งจับลมหายใจเพ่งพระพุทธหลุมให้พระพุทธะลุมมีแสงสว่างสวัยอยู่นึ่งหนึ่งนาที ส, สิบนาทีแล้วก็นึกเลย อึกแล้วก็เห็นมาเลงค่ะไม่ก็สายหนังอะผ่านเห็นได้หน้าหน้าคนที่ไม่เคยเห็นก็เห็นบันนตรนู้นคอค่อะเพมันยากเลนจับพระพุทธลูก เริ่มแรกทั้งแต่เราแล้วมันเข่าเน้นเทียบรู้ เ, เปล่าก็ไม่นู้นะนี่ยว่ากระปงค่ะปงสังขารก่อนก่อนจะได้พระพุทธรูกว่าเราต้องตายเนี่เราไ ม, ม่มีคือขึ้นออกจากพระพุทธลูกที่หลวงพอบอกไว้ในนังสือฉันต้องยึดพระพุทธลูกองค์นี้ไว้ใ น, น อ, อกิ่งที่จะนําเราไปสู่สวรรค์นิพพานได้กว่าพระพุทธรูกองค์เดียวส่วนร่างกายหี่ส่วนอืน่นลูกเจ้าล้านนี่แหะช่วยฉันไม่ได้มีพระพุทธลูกองเดียวฉันที่ยึดมันที่นี่มัน ตลอดมาท่ามือฉันก็ใจไม่ดีเลินบุกวนหาวกวนหาจนพระพุทธหมาถึิงนี่เออไม่นี้แลสบายใจได้กินข้าวก็อร่อยนอนก็หลับท้าพระพุทธหลปหายไปล้ อ, อ๊้ใจไมสบายแบบอย่างเหมือนกันตรงเล็กๆนั่นแหละตรงที่กับพ่อนี่คเลี้ยเดี๋ยวนี้จะ ห, ห้ใหญ่เท่าพระลาวัดหีือกระาจะเอาไปนั่งบนภูเขาที่ผมพูดไป ตอนนี้พอดีมันเขี่ยวหมดแล้วกลับไปดูวิม า, านหลวงพ่อวิม า, านหลวงพ่อที่ไหนเจ้าข้านูนไปดูสิฉันเข้าไปได้ไม่ได้นีมีมีสามหลังเรียงกันใอญ่ใหญ่โอ้ใหญ่เ้านี่เขานี่ที่หลวงพ้อสามค่สามหลวงพ้ อ, อเอาแบบมาจากนิพพานเลยมาสร้างเป็นวัดวารามวัดวารามแบบนี้เลยแต่มันข้างบนหลังเป็นชั้นเป็นชั้น เฉันขัดขึ้นไปเรียกว่าคุณขัดขึ้นไปเข้าใจไหมคะแต่ว่าอันผิงที่แอมมันไม่ขาวมันเป็นสีเหลืองประดับเพชรเลยแอมผันฟ้าอัน แ, มแมนอมแบบนี้ของหลวงพ่อสามอ่าของดิของหม่อมฉันกัมีฉันไปถามวันนี้แล้วถามพระพุทธเจ้าลเลยไหมถามหลวงพ่อนี่นนผ่านพุทธเระเจ้าข้า ถาวันีิฉันยังมีโอกาสจะ ไ, ได้มาให่มันหมอมฉันมีหรือเปล่าจากคามมีจุดหมอมฉันเป็นนั่งได้ไหมคะนั่งได้หมอมฉันนอนไปมไหมนอนได้เันกับไปลงฟอกะโลพอวัดเป็นนั่งมันมีอะไรฮึพอว่าจะนั่งมีข้อยึดทองรองลับพุทเลยเพอนั่งกําลังมองหาที่จะนั่งคุทเลยโอ้โหทันใจเลยนะนั่ ง, งมองไปเนาะสวยดีนี่ว่าพออยู่ไรดีดีละ ถ้าบุญไหวขณะเรานี่กทิ้งขณะนี้คนนับบัตบุญแล้วก็ไปนอนลองดูประตูเปิดเองเลยยิ้มไปทักทักยิ้มไปเพราะชันก็เปิดตรงเองเป็นงานถึงตกถงเตียงทองอย่านั้ะเพราะว่าจะนอนทักผอมกรมามอนตะมาเนอะนอนหลินนอนหลินกาลังสบายสบายโอ้นอนยู่น่หลับอกว่ามาแท็เดียวของพอไปยินกับหูดิของพออยู่น่ะ ปุ๊บขึ้นมาเลยเึ็นมาโอ๊ก็ออกมาทันทีประตูก็เปิดหันฉันก็ออกมาวอกาออกมาเลยไม่ได้ปิดประตูอะไรปิดเองค่ะแล้วกับมามาเห็นหลวงพ่อมาตามหุ้งพ่อ อ, ออกมาจักอย่างเกา่ามานั่งชมปูชมปลาอยู่นา่นั้นปาลาอะมีปลาเงินปราทองปลานี่ปลาสมมุติไม่ใช่ปลามีชีวิตผ่านว่าแบบนี้ฉันไปถามแล้วทำไมในเมือง ในเมืองที่วานิพานนี้ทำไมังมีมีสัตว์สี่ที่มีชีวิตมาอยู่ในี่ได้ไม่ใช่ว่าเอามันมาคทรมานมันจะไม่บาดไม่ใช่อย่างนั้นปลานี่ปลาลิมิตไม่ใช่ปลามีชีวิตแต่ให้ดูช่วยถึงเปนงินเป็นทองเรื่มพักๆน้ําจะใสแจ่วเลยถึงคนเป็นหินจะค่ะทางข้างล่างเป็นหินน้ําำใสหินเป็นเป็นแองเป็นอ่างหินเลย ที่นี่กระดอกไม้โอ้โหสวยสวยเด้อไม่เอาอะไรอีไปนั่นหรอคะที่นี่ทไปชมสวนดอกไม้ดอกไม้จะสวยสวยดอกไม้ที่รยกแปงนี่สีขาวแปงนี่สีเหลืองแปงนี่แ็สีฟ้าสีอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ต้นเตีย้ย เียรตไปเป็นได้ดับได้ดับจนถึงตัวใหญ่รอบอานานางฟ้าโอ้ยนางฟ้าโอ้โหเต็มเลยเขามาชมสวนดอกไม้ฉันเกอยรตอยากไปลงน้ำเหมือนเขาหลายครั้งหลายหงที่ไปเราไม่ยอมลงเขาไปไม่ได้ทงก็ไมลงฉังก็ไมลงฉันไปนั่งดูอยู่นั่นแหละนั่งดูจนเพลินจนเบื่องพ่อจะไปไหนต่อมาเที่ยวรู้จักหมดแล้วส่านก็งพ่อ ที่ที่ชั้นวัาเป็นสวรรค์สวรรค์่ะอยู่ไหนล่ะทําไมทําไมหลวงพ่อไม่พาหมอนชั้นไปดูมาผ่านมาแล้วจะยูดูทําไมอ่ะสะวรรค์พมดูเมืองนิพพานดีกว่ามันถึงจุดนี้แล้วจะไปดูทําไมที่ต่างต่างยังดูพ่อแม่ยังอยู่นั่นเออลงไปยังก่าไปดูใจดีดีหลวงพอ่อหาที่สุดมีได้ไม่เคยดุไม่เคยดา่านี่มันไปไหนไปทั้งนั้นเลยยันถึงว่าในวันนี้หลวงพ่อมานี่ อ่าหลวงพอ่อเวลาดินไปที่ไหนที่ไหนนะที่นี่มันหมดแล้วนะชมอันนี้หมดแลยอ้าวไปเห็นสวนมะม่วงสวนมะม่วงมอะไรก็แล้วแต่ผลไม้ทุกชนิดนะ่ะมีหมดเลยบริเวณนั่นนะพอ่อจะพาไปโอ้หลวงพ่อมาชมสวนอะไรอันนี้นะ่ะมีแต่ผลลไม้นกมีแต่นกกินคนกินได้หรือเปล่าไหนกินกันหรอกคนยังมากินอะไรผลไม้ นี่นี่เรียกปลาเลยรนะรป่าหิมะาพานันใครเรามาปลูกไว้โอ้ยมันมีเองนี่มันมีความหมายอะไรเนี่ยที่เขาปัดเปลี่ยนใครมาขวัญมาปัดมันไว้แล้วมาเห็นมีคนสักคนเห็นตะลุ่ยสีหนวดยาวนั่งอยู่ในกระท่อมนั่นชันว่าแบบนี้เอ้ยเขาหนุ่มสีเหลืองอย่าไปว่าเขานะน่ะพิวดา น, ะนี่นน่ะในฉันก็ไม่ว่าเลยจ้ะะแต่หนวดยาวจริ ง, รงๆนี่หว่ค่ะใจดีจะ ด, จดีพอเกี่ยวไปแต่ใบนี้แหละที่พราพูดไปเจ้าเรืนอนกรุงธม ที่ท่านทําความภาคความเพียรอยู่ในบริเวณฝานี้แหละขอบเขตนี่ดินี่จะเดินไปนเดินไปเออไปพบพบดูสศิษย์นั่งรออยู่นี่นะเดินไปเที่ยวสะดอกบัวแค่น่้นะอะโนดัไปดูสิสะมันจะใหญ่เลยสะนั่นนี่จะดอกบัวทีนี้พอดูแล้วดอกบัวมันมีหลายชนิดดอกบัวกําลังผิผแพร่นี่ดอกบัวใหญ่ขึ้นมาแค่นี้ดอกบัวบ้านดอกบัวร่วงโรยก็มีพอมาทานมาถานที่หลวงพอ่อ ดอกบัวมีกี่ชนิดทานว่าเลยนี้มีหลายชนิดเจ้าค่ะมีชนิดไหนบ้างชนิดกำลังถิชนิดกำลังบานกำลังจะบานยังไม่ได้บานนะคะกำลังจะแย้มแล้วก็บานแล้วแล้วก็กําลังกําลังจะร่วงโรยขึ้นมาเลยเปรียบเหมือนอะไรอ่ะเปรียบเหมือนคนจ้าค่ะเปรียบเหมือนคนและสัตว์ที่เกิดเป็นตัวเป็นตนมามันจะต้องเล็กถ้าก่อนทีงใหญ่ใหญ่ก็จึงแก่เป็นผีมันก็กว้างล่องลวยลวงไก เหมือนกับชงวิตของเราเองไม่เปียไม่แตกนั่นแหละเอาไปพิจาราร่างกายจาไว้นะไปพี่นานะอย่าว่าตัวไม่แก่อย่าว่าตัวไม่ตายนี่จะได้แต่ก็มาจาพิจารณาภาวนาจำมาคิดมากองนั่งคิดนอนคิดอยู่เดี๋ยวนี้ฉันมันหนักไปในทั้งนี้แหะพิจารณาในหลวงก็ไป ถ้าจะนึกเห็นก่อ น, อนเห็นได้ไม่นี่ที่วันแรกเนะี่ยปรากฏชัดนั่งอยู่ข้างเชียงวัดเขานึกเห็หือนในหลวงทีนี้อีกตอนหนึ่งนะีงไปยังไม่จบนะคะไปทีนี้ไปไปไปแล้วมองเห็นพระพุทธเจ้าอยู่บนภูสูงสูงพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธลูกองยยใหญ่ใหญ่แบบเท่าสลาราเรานี้แหละโอ้โหหลวงพ่อพระพุทธลูกอะไรใหญ่เลือที่สุดตั้งอยู่ต่างานนั่นน่ะที่ฉันอยากไปกราบไปไหว้ด้วยเกินว่ะ มาทําไมนันจะไปได้โคเป็นสูงจังเลยเหาะสิเหาะยังไงยืนในเกลอเหาะวาดแต่เหาะคำเดีย ว, ยวลิเลยอ่านกับเหาะลิปฉันก็บลิปไม่รูว่ลิปยังไงไปขึ้นไปแล้วกราบกราบพระพุทธรุปมันเห็นเจ้าพระพุทธลุบยังไัน่ะมองไปนนะเห็นหมดนี่เห็นหมดหนี้หมดนี่กับปาดเสร็จแล้วมองไปห้างคูทั้งโน้นแหละ ไฟลุกแดงโชนบิ่มอยู่เลยทั้งนู้นะฟังกระโลนพูลงไปทะเลไฟนลยลูกพ่อไฟใหม่อะไรอยู่ทุ่งใหญ่ในญ่นะน่ากัวยังเลยคนกระล้องโวยวายกระโดดผงผงเห็งหัววัวหัวควายก็มีหัวมากก็มีฉันมองเห็นนั่นแหละไอ้นาลุกไอพี่ใหญ่เนื่อนานมาลุกอยากตกเปล่าจะพาฉันไม่อยากตกพาที่ฉันกลับฉันไม่อยกดูหรอก ทะเล็ดจังเลยไม่มีผ้ามีเสือก็มีหมดกัดก็กัดทํานาะจะลงใหญ่ลงก่ออ้าถ้าจะเดินลงนี่สิบปีมันก็ไม่พ้นหรอกทาทําไงอ่ะจะลงเนีหาะอย่างเปล่าเหาะนี่ลงมาเลยรี่ลงมาถึงถึงะมาเจอพุทธเจ้ า, านั่งกําลังะจะตัดตะลูอยู่ตรงลังทั้งู่มี่พระเอะมะบริเวนป่า อ่าสีตะการณ์ัคคุ ก, นนกไทยไลยะ่ะฐานทานนะถามหลวงปอหลวงพอ่งพออะไรหย่งนั่งนี้นฉันไม่นั่งดับตานั่งสมาธิอย่างดีแทนว่าง ก, ากันไงอย่าขาดเศษจะเป็นทองฮ้ อ, อรีบฝากเลยฝากนวัตการท่านเลยพระพุทธเจ้ากําลังหยัดตัดทะลุเราหนังมองเรารอดูก่อนนะฉันว่าแบบนี้ค่ะเมื่อไรจะตัดเรื่อ เดินหกทิ้งว่าแบบนี้จนหกวันเิ้งแบบนี้แค่เดียวกับถือเดินหกวันทิ้งปับดสลู้ทั น, นทียืนปีนุธานสําเร็จแล้วบ่าแบบนี้เสียงค้องเสียงกลองเทว บ, บุตรเทวดาประนาใหญ่ฟ้าขะนองดินสะเทือนเลยภาวนาท่านเปีนุธานอว่าสําเร็จแล้วแบบนี้ฟ้าดังกังแหมดินสะเทือนภู ม, มิโลกเทวดาโลกมนุษย์สลกโอ้ยหวันไหวเลยดัง เสียงหูดีดีปาะ เ, นเสอกแสกไปค ะ, ะเรื่องอดีตเอองอดีตเรื่องอะไรอีกที่นี่เรื่องเดียวนะหอยากสินพดตกบนรกด้วยสิี่นนยโอ้โ อ, โ อ, โอ้ที่แรกมาเที่ยวนรกอันพวกสิทนที่นี่ไป ข้อหนึ่งมันขาดสัตว์ขาดสัดมันเกาะขาวัวขาควยเห็นแต่นั่นน่ะขาคูกับปลาไม่เห็นนะเขาควายเขาเป็นควายตัวก็เป็นคนหัวนหลมเป็นควายมีเขาด้วยเอออยู่ในหมอนรกวัวก็เป็นเขาวัวเป็นหน้าเป็นนห้าวัวแต่เป็นตัวคนยืนอยู่เป็นหน้าวัวเป็นเขาวัวหลวงข้ออันนี้เขาทาบาปทําทําอะไรแล้วเขาเป็นเขาเป็นอะไรแบบเนี้ อยู่ในมออยู่ในมอน้าร้อนแบบนี้มันไม่ตายมันจะตายเป็นที่มันตกนะลูกอะตายแล้วมันเกิดเกิดแล้วมันตายเมื่อไหร่มันจะจบขิงสักทีก็หมดกรรมก็มันดีมันทําไว้น้อยมากต่าสุงแค่ไหนก็ใชจกรรมไปมันฆ่าสัตวนเวลานี้สชิ้นคอหนึ่งค่ะแล้วก็สิ้นคอสองอะไรนะรักของหมอเอออธินารักของของนี่ใส่สุก ใส่ทั้งคอทั้งแขนทั้งคอทั้งแขนพวกพวกรักพวกปุ่นพวกจี่นะ น, นะอืมจ่ายโยมที่บา ล, ลากคอลงไปโคขึ้นมากคอนตะปงใหญ่ทับลงไปล่องอกุกอกขึ้นมาลงไปขึ้นมาลงไปพังกระหึ่มอย่านั้นละ่ะไม่มีหมดไม่มีสิ้นอยู่แบบนี้เ่รอหลวงพ่อเขาทำอะไรใส่โซ่ดึงหน้านึงหงลังขาแต่ใส่แขนก็ใส่คอใ ส, อใส่นี่แหละพวกลักพวกปุ่นพวกจีผิดชิ้นก่อสอง สิ้นก่อนสามยิงหน่ยายละไออ่ะมีต้นยิ้มอย่างว่านะมีน้ําขึ้นน้ําลงมีอีแรงสบเรศอีกาสบทองจริงจริงอีพวกนี้เกิป่วยกายขึ้นทั้งผู้หญิงผู้ชายขึ้นไปแล้วก็อีแรงสับลงมาน้ํานี้ก่อน้ํานี้มันก็หันกินแบบนี้นะลงมาว่าทองมันท้องฟรีดูลงมาจะ่ป่วยกายนะป่วยกายไม่นุ่งผ้าหนุ่ง ก, ก่อนนัน่นลงมาข้างล่างเด็กแล้วเล็ก ดันก็ไปอีกขึ้นไปอีกขึ้นไปแล้วอีเรื่องสุดสอบลงมาอี ก, กไฟกลับมาอยู่นี้ท่งน้อมน้ำร้อนหลวกมันจะตายแล้วไฟใหม่มันจะตายไปตายสักทีอยู่นั่นนี่ก็เป็นอะไรตามมีปวดนี่ไม่ทำอะไรู้จกักหรอกยังไม่ถึงขนาดนั้นบอกแต่ตามมีพอต่อไปก็อสี่อีปากว่าริโพ น, นีปากโพนีไม่มีสินเออไม่มีสัตว์ พวกที่พอรับชันพวกกินเล็กใหญ่พวกพูดไม่มีวาจาสัตว์ปากเข่าขินกินอะไรก็ไม่ได้มีแต่ร่อนทุลนทุลาอยู่แบบนั้นอี่ปากพูดมากก็มีพวกมาถึงนี่เลยงับมไม่เข้าเลยปากแอันัี่พูดมากพูกเนือเชือ่อพูดพูดโกหกพวกเราแมาล่ล่ะพวกกินพวกเขาเดีย ว, วกกินชิงบนพวกเดีย ว, ว่าพอรับฉันอืม เป็นแดดมันตกตลุกอิบอิากในเล็กเล็กอีปากใหญ่ๆนี่มันเป็นอะไรหลวงพ่อพอมันมันติดชิ้นคอสีแล้วอิบชิ้นคอหานี่ไงคอหานี่มันจะต้องมันจะต้องมีหมอลุกอยู่กลางๆแบบนี้หมอนมอห์ใหญ่เลยแล้วก็พุดขึ้นพุ่ดลงมุดขึ้นยืนขึ้นมุดลงพวกเขาสองหลงเขาไฟทั้งสองหลงข้นมพอมันยืนขึ้นมาเจียบเป็นแต่ ถอยออกไปทับก็ามามันยืนเหยียบเดินแค่ตแต่อยู่ขนาดไปในหลวงพอ่อนี่แหนนี่หละกินเล่าบ้าพวกบ้าบ้าเล่าจำแกนี้อันซีซินฉันไม่อยากไปดูเท่า ไ, รไ ห, หร่ชอบมหลังหลวงพอ่อพวกนี้กเคยทํามาไหมฉันไม่เคยทํำดอกจกักราฉันเคยขาแต่กปาเด็กเล็กๆหนังค่ะจริงเยวนี้เลยไม่ทำเลยหมครับไม่ทำ ทานแล้วใสแล้วสไลคอคุอนี้ของมดเลยโอ้ยมีแต่ของเอมมีของจริงเศ้าใจด้วยเมือเ่าก็มีค่ะโอ้ยเตาเตาตัวนั้นก็ว่าได้ทานสีเตาก็ได้ทันสีไปถามผู้พูดจะตอบว่าเองเขาหยิ่งได้ง่าย เขายิ่งไม่มีนิวรณ์เขาในปานสี่เขาจะเมื่อกิดเป็นเทวดาเป็นพรหมได้ด้วเต่าเอาอกาเ่าชื่อว่าซีถึงขึ้นมาฉันอยู่ตรงนั้นอะ่ะเก่าใหญ่อะ่ะอี่ในวัดนี่แหลเดี๋ยวนี้ไปไหนก็ไม่สะร์น้ำกินแล้วเนี่สตร์เรานี่ไปจะไปเที่ยวที่ไหนมั่งก็ไปไปที่เก่าอ ย, อยางนั้นแหะฉันไม่ได้ไปไหนนอกเหนือจากนั้นก็ไปแต่ที่เก่า เซตชั้นสี่แล้วก็เดียวนี้ได้แล้วรู้จักเขาบอกว่าหาที่ฉันมานานแล้วอ่ะฉันนี่เป็นแม่เขาแต่ชาติก่อนเขามาเจอว่าอย่างนี้คนใจบุญคุณตาหนี้คุณมาเจ อ, อนี้นะเ่าไว้ชีพหนี้ อ, อีกสามสิบปีก็ตายแต่จะบายังไงต่อไปนอ้องคิดยังไม่ออกเว้ยมันไปเที่ยวรลายคนห่วยฉันหมดแล้วหฟังหมดแล้วจเจอค่ะหลายองค์เลย จะเอาองไหนเห็นว่าไอ้ลืมไปเจอพาวดีก็เห็นในห้อยก็ดีใจใหญ่เห็นฉันไปโอ้โหป้าฉันดีใจยังเลยที่ป้ามาโอ้ยมากรใครมากระลวงพ่อรีบมากราบหลวงพ่อนี้คุณนายอยียุิพาวาดีฉันก็ไม่เคยนสักทีก็เห็นมาหาคุณนายอดหน้าเข่าขาใส่แว่นสักแต่ไม่ชูงหรอกจาาพัวจ้าพัวก็สูงหน่อย จับค่ะจักคัวทุ่งศูนย์ว่ล้านล้านนี่ดูชั้นบนบนน่ะชั้นนิพพานน่ะไม่รู้ชั้นไหนหลวงพ่อว่าว่านิพพานแตบนิพพานเนาะพองเราไม่รู้จักอะอ้วนค่ะที่นี่ฉันก็เลยนึกเอ็นซาตูเดอพระพุทธพระพุทธรูปในอกในวัดของเรียนที่ปฏิบัติอยู่เดียวนี้น่ะอเลี้ยนถามถามพระพุทธเจ้านท่านผู้เจริญก็จะกล้า พระสงฆ์ที่ปฏิบัติอยู่ในวัดของหลวงพอ่อหมาในละเวลาเนี้มีคนได้อย่างอย่างดิฉันนี้ไม่ดิฉันเนี่ยก็ไม่รู้ว่าไรอะไรล่ะแต่ได้มาแบบนี้มีขอให้ปรากฏนายให้ใหหมนต์ฉันได้รู้มั่งเห็นหน้าคุณอนันต์ไปเดินอยู่บนยิ้มยิ้มย้มยิ้มอย่างนั้นได้ถามกัน เข้า ไ, ได้ เ, เข้าได้เลยไปกับลุงพอ่อเข้นไเลยไม่ได้ไปสองวันแรกมองแต่ท่านเดินเินไปอู่เดียสองวันแรกวันที่สามนีจึงไปได้พอาุพงพรงร่างกายตัดร่างกายตัดไม่ห่วงไม่ยัยอะไรตัดคนกังวลวันเถอสะสาตงโมไหนที่จะไปได้เรื่องเรื่องนะเรื่องกรรมของตัวเองที่เคยเกิดไปนะโอ้มีค่ะมีมีกรรมมี กรำแต่ก่อนฉันเกิดเป็นคนจนจนพ่อแม่ไม่มีของใจลูกทำบุญทาทานฉันบอกกินชอบทานมันจะไหนจะ ไ, ไรก็ไม่มีอยากมีกินจนไม่พบพระพบเจ้าถึงแม้ว่ามีของทานนีดหน่อยก็ไม่มีพระพระสงฆ์องค์ขเจ้าเดินผ่านเลยแต่ถ้อออกไปนู่นฉันก็เป็นอะไรนะเป็นควายแต่ไปนั่นก็เป็นมา้า แต่ไปนั่นก็เป็นแมวมันโผล่หนาขึ้นมานะคะนี่มันโผล่หนาขึ้นมาเองมันนะก็เป็นอะไรอะไรมันจะอันนี้โผล่แล้วอันนั่นโผล่ตามตามไปโยนไปเป็นหมดทุกอย่างเป็นผีเป็นเปรตก็จะเป็นแล้วแหะแต่ฉันไม่นึกสักเป็นไปไม่นึกไปแต่นึกย้อนไปถึงโน่นล่ะไปถึงตะก่อนกระเป็นกษระสักอยู่นครเมโลนุหันเป็นกระสักเอกษัตว์คลองเมืองมยุติธรรม ขาดพุ่มมิหารสี่ก็เลยแม่ไปขึ้นมิพานเลยวะแม่ก็ลเลยแม่ไปขึนมิพานฉันนึกาโง่เลยทีนี้จะนึกย่อๆอย่างหลวงพอบอกมุกีนี่ไม่ต้องอามาเขาย่อๆเลยสอนมุกี้แบบนี้ค่ะแบบนี้แบบหลวงพ่อสอนเดียวนี้มันถูกแบบนี้เลยติด้องฉัน กับพระพุทธลูกมีสีประกายคึกเหมือนกันพอเห็นพระพุทธลูกจิตกระจองแววขึ้นประสบกันเลยท่านก็ถามพานวาที่ชั้นนี้ดนนนดนเ ด, ช า, เดนะชานไหนแล้วช า, ดด า, น, ว น, า, านเดีนยนหมอบชั้นก็ไม่รู้ว่าเจ้าค่ะเดชานสี่แล้วขณะนี้จิตเดียน่ถึงชั้นไหนแล้วพรเจ้าค่ะเดชัวดาบันหรือปล่าอนาคามีมันเป็นยังไงอนาคามีชั้นก็ไม่รู้พระบอกแบบนั้นชั้นก็ไหวาตามจะถูกหรือผิดชั้นไม่ตัดสิน ไปไปท่านบอกว่าความโลภไม่มีปฏิฆา ม, มีนิดหน่อยหลอันโกรดนั่นแหละก็มีนิดหน่อยจะไม่มากแล้วก็อันหลงนั่นไปจะสว่างแล้วว่าหลงแต่ตัวของเราเป็นตัวของเราแค่ท่จริงตัวของเราจะก่อนทึ่จะหลงจริงๆว่ามันเป็นจริงๆว่ามันจะไม่ตาย ว่ามันจะไม่เก็บว่ามันจะไม่ป่วยว่ามันจะลำลงคงอยู่เป็นสภาพหนุมสาวเหมือนพระนี่หละเหมือนพระองค์ห ม, ม, ม, มุ่มแบบนี้เดี๋ยวนี้รู้แล้วไม่เสียดายแล้วจะตายวันนี้ก็ฉากมันฉันไม่ห่วงแล้วมันจะตายจริงๆริงหนิเราจะหวงจะห่วงจะทนุถนอมมันไว้มันก็ไม่ฟังร่างกายของเราเนี่เราเนี่ไปแย่งเอาของเข้ามาไปตู่เอาของเข้ามาแบบเป็นของเราของเราแล้วเอจิตที่เป็น แนบสนิทสกิดเขาไว้กว่าบป็นของเราของเราหรหลวงเหนีนนนยงอ่ะฝ่ายึดมันก็ไว้ไม่ยอมปล่อยมันกจริงอยู่ถึงก็ไม่อยากยอมปล่อยแต่ก่อนได้นี่ปล่อยชังนั้นนี่ที่เข้าไปถามมาพูดใจเจ้าว่าทานถึงแล้วว่ะแต่ทานก็พอแล้วว่ะแบบนี้ค่ะทานเติมแล้วว่ะเด็กที่นี่ก็ แต่หลวงพ่อมีอยู่วัดไม่ทําทำสมาธิไม่อะไรนี่แต่ทานอย่างเนี่ยท่านก็ไปถึงนี้ผานได้ท่านมีศีลอย่างเดียวกับทานค่ะฉนั่นมันมันนั่นมันมันเขาเรียกว่าอะไรนะคะเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นจิตอยู่เรื่อยๆอันจิตทานมันมันอยู่ในนี่เลยนาะนั่นแหละมันมีประจําอยู่เลยจะนอนก็คิดวันนี้กูจะอะไรใส่็จ นั่งก็คิดเวลาบางบางครั้งนิวรณ์ของของฉันไม่มีอะไรอ่ะมีแต่ทานคิดไปเยาลไรทานเดยาะไอ้เงินกูจะหมดแล้วก็มึงกูย่อยซื้ออะไรมาทานต่อไอ้เงินกันมมันก็เรียกแค่มาเงินคนนั้นให้มาเดี๋ยวมัอนใจจะหมดยังร้อยหนึ่งสองรอยมาอีกเลยถ้าอืก็เป็นอย่างเดียเช่าบุญจะไม่หมดจะหมดมันก็ไม่หมด อาษาวิญญาณดีดี่ป่ะอาวิญญาณดีดกว่ันก็ได้ถามมาอีกแล้วกอกว่าพี่น้องที่อยู่ในแดนสวันเนี่ยเขาทาอะไรทางานอะไรแบบไหนเขาแม่ทางานอะไรแล้วเขาบอกผู้หญิงไม่มีทำไม่มีสมุนทุกท่ารโอ้ยลืมลืมหลวงปู่ตื้อไปนะหลวงปู่ตื้อก็ดีนะหลวงปู่ตื้อก็มาแต่ฉันหลวงปู่ตื้อท่านบอกว่ายังมีชีวิตอยู่นี่ ย่าปล่อยเวลาเสียปากให้ทําบุญสร้างโบสถ์คุตติอิหานวัดวาอารามเข้าไว้ในศาสนานั่งแล้วก็นั่งในในศาสนานอนก็นอนในศาสนาแล้วก็ยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ศีลทานสมาธิเขาไว้นั่งก็นั่งในศีลเป็นเราตามตัวนอนก็นอนในศีลในทานในทุกสิ่งทุกอย่างที่เรายึดได้เป็นคําสอนของพระพุทธองค์ให้ทรงไว้ให้ได้ บิดทำใชะยังมือมีดีเมื่อเราตายไปแล้วทําอะไรไม่ได้ที่ทำไว้เราจะไปสู่กรรมกรรมดีก็ไปสู่กรรมดีกรรมชั่วก็ไปสู่กรรมชั่วทำไว้มากเราก็สบายมากถึงนิพพานทําไปน้อยแล้วก็ไปสู่น้อยจะไหลหรือนรนะกเปีาายกชุ่มไปมาแล้วไอเด็กนี้ลุงพู่ตื้นู่ชื้กระพั บ, พบมาไหลายเกินไป ฮะผูดที่มั่สอนอย่างเดียวกับหันหลวงปู่ฟันหลองปู่ฟันว่าทานศีลสมาธิปัญญาเอาแบบเดียววันหลวงปู่ชวนไม่สอนเฮ้ยพอแล้ววะองค์อื่นสอนหมดแล้วก็แค่นั่นเจ้าอะไรมาสอนกัหลักของพระพุทธเจ้าหมดแฉรี่จับสิย่อย ก็ไม่รู้ชั้นไหนกับนังเรียนกันไปเลยฉันไม่รู้ชั้นเนี้ถามแบบนั้นไม่ได้ไม่ค่ไม่เจอฉันไม่รู้ฉันไม่นึกที่หลังนี่ฉันเราไปแต่เดือนสิงหาโน่นน่ะฉันไม่พูดใช่อไหมเนี่ยฉันก็ไม่พูดแต่ว่าจะไม่กล้าเรียนหลวงพ่อดอกแต่ว่ามันฉันฉันไม่อยากกล้าเรียนหลวงพ่อใจใจไม่สบาย เนื้อคะใจมันสบายโอ้ยนี่จะไปเลยเอ่าไปจริงหรือเปล่าหรือจะไปหลอกนาะนี่ไไปจะไปอย่างนี้อ่ะไปไม่มีคุบาร์ใอุ๊คุบาเรามีเว้ยหลอกก็หอกบางทีดีใจเอกพูดขอบใจของมันก็ล้วงพ่อไปตามนี่ว่าหลอกก็หลอกที่ล้วงพ่อถงพาเลยนี่แต่ลูกนี่แหละไม่หลอกหลอกย้อแม่แน่แนไม่หลอกเชื่อได้ นนาาประกาบเรียนเลยแหละฉันไม่กลัวเลยแต่ก่อนอฉันจะนี้ไปนู้นนะฉันจะออกพรรษาหนิฉันจะไปไม่ฝ่าถามหลวง่องจะไปหาหลวงปู่เทศยตใจังหวัดหนองคายถามง่ายดีวะไม่กลัว <c oughs> ไปจริงจริงะกลัวหลวงพ่อ หลวงพ่ อ, อ, อ, อไม่เลือกฉันมาสักทีเรียกแต่ปกรุงเทจังก็นน้อยใจ <c oughs> <c oughs> ไม่เลือกสักทีเขาบอกโอ้ยเสีายใายายยังเลยวันนั้นอาทิตย์วันศิลป์ที่แล้วมายายไม่อยู่อย่างงั้น <c oughs> ฉันบอกว่าเอ้อใครได้เข้ามาใครเป็นอะไรเข้ามาถ้าฉันอยู่ฉันเข้ามาเลยจากวันนั้นเออขอประทานโทษนะเจ้าคะจะไปจริงหรือไม่จริงแลแ้วหลวงพ่อจะตัดสินแต่ว่าฉันไปอย่างนั้นแต่ว่าไปกับหลวงพ่ออย่างนั้น ไม่ได้ไปคนเดียวสักทีไปทีไเดียวทีนี้มันไปหลายหนหลายเกลียดจะไม่นีมนหลวงพ่ อ, อจะไม่ไปกับลุงเจะไปคนเดียวพอไปปั๊บเดินบนะุกหนันเจ อ, อยู่ข้างในเนี่ยไปก่อนเลยบางทีไปเจอจะไปกลาวพระพุทธเจ้าเห็นอยู่กับพระพุทธเจ้านำฉันทุกเฉียงเลยโอ้เป็นลูกเด็ ท่นบอกว่าฉันไปถามหลวงพ่อไปนั่งอยู่ดีน่ะในสะโบกนี้สองสองคนนังงนน่งสองก็นั่งฉันก็นั่งอยู่ข้างหลังหลวงพ่อก็นั่งอยู่แบบนี้อืมไม่กลัวได้เลยคุยได้ดีหลวงพ่อเจ้าคะฉันเลยเป็นญาติปีโก้หติกาของหลวงพ่อหรือเปล่าจริงมาเรื่องกันแบบนี้เป็นสิเป็นอะไรนะเจ้าคะพูดเราได้นีมแล้วก็เป็นลูกแบบนี้ดิ ฉันสบาแบบนี้ว่าใช่น่าทานเลยทานได้เลยตัออกหมดเลยจะ <c oughs> ได้เงินเหมืนอนนู่นไงถึงวัดเียเงินมั่งแล้วฉันไหนรู้หรือไม่จำฉันจะสบายใจเลยเลยปวดสบายทานที่เลยฉันมาสบายทั้งกระทานพอทั้งการการเสร็จผมมีแพะวัดเราอยู่นี่สีห้าองค์ฉันกปะปาปุ <c oughs> ถ้ามีคนเยอะๆเห็นฉันแบบปราบุ๋น ควบไปขวามาหลวง ah. พ, พ่อจะพาลิ้นขอกวามเรียนหลวงพอลิ้นรวมฟองใจมานานแล้วจะขาดฟองแกอะไรฟองใจว่าเดียนไปเที่ยวที่วันนี้พานนี้พานมันแน่นี่เปล่าหรือมันแหลกใจงั้นก็ไม่รู้พูดไปเหม็นเออถ้าไม่เชื่อแน่มันก็ช่วยลราสิใช่พี่ช่วยไม่ช่วยนั่นก็ไม่ทราบแล้วจะพาดพระว่าฉันไม่เคยไปมันก็ยังใหม่หลวงพ่อนะพาฉันไปช่วยว่าหลวงพ่อพาฉันไปมันก็เชื่อมั่นว่าหลวงพ่อพาไปฉันก็ดีใจอ่ โอ้ปรธรรมดาละคุณไปใหม่ก็ต้องมีความสงสัยธรรมดาแต่ตำมนิตีเตือนกันไม่เลยหรอกหายสงสัยเลยนะใช่แล้วกวันหายสงสัยหมดวัฉันไม่มั่นใจเลยสุดวันนี้สอนกันหมดเลยตันนี้สอนที่จักรกุยานฉันจะทิ่จักรุยานต้องผ่านจึงสอนแบบนี้ทิ่จกุญานแบบนี้แหละเดี๋ยวนี้ฉันจะฉันอย่าไป